ท่านฟังที่ครบคะ่ะเราพักเสาร์อาทิตย์กันไปพระภิกษุก็ไม่ได้พักไปไหนทั้งท่านมาร์คที่เพิ่งจบไปนี่ท่านก็จะมีกิจมากหน่อยตามพระอาจารย์ของท่านคือพระอาจารย์คริสโสธิพโลในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนท่านไปบูนนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะที่วัดท่านมีอะไรดิฉันไม่ทราบรู้แต่ว่าท่านเนี่ยจะทํางานเผยแพร่เยอะก็จะมีรายการทางสถานี อื่นด้วยอย่างเช่นสถานีวิทยุทยกระจายเสียงเป็นต้นตอนนี้ท่านกลับมาพร้อมหน้ากันหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ไปพบกับพระพิบุร์อภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโุดรธานีราดมนุสกรารกันทั้งคะ่ะเจ้าบอลค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มาฟังเรื่องของพระาศาสดา ข, ของเราที่ตรัสรู้รรมาให้พวกเราได้ศึกษากันถึง 2,600 ปีแล้วเช่นพานมีข้อสังเกตอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ ที่จะพูดเป็นพุทธบูชาพุธทธิเจเจตีนี้นะคะ่ะคือเรื่องของสติที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ตอนตอนนั้นหลังจากที่ตรัสรู้แล้วนะพรมสามบดีโปรห ม, มนณิมลแล้วนามามณิมลก็ปฏิเสธไปแล้วเนี่ยก็เลยเมาคิดว่าเอ๊จะสอนอะไรดีท่านพระเจ้าก็ระลึกถึงว่าเอ๊สอนสติปัฏฐาน4นี้ก็แล้วกันนันนี้เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวแ ล, แล้วตอนจบสุดท้ายก่อนที่จะบริญนิพพานนะปัจฉิมวาจารที่เราทราบกันก็คือว่า ให้พวกเราอยู่เป็นเป็นผู้มีความอยู่อย่างเป็นผู้ไม่ประมาทใช่ไหมไอ้ <Okay. S 1> ความไม่ประมาทเนี่ยก็คือความมีสตินั่นเองท่า น, นพระเจ้าเคยอธิบายอยู่จงหนึ่งว่าการไม่ประมาทคือการที่มีสติสํารวมอินทรีย์แล้ถ้าเราระวังตาหูจมูกนิ้วไก่แจของเราอันนี้ชื่อว่าไม่ประมาทละ <Okay. S 1> การระวังนี่คือหมายความว่าการมีสติเพราะเราเราดูนะว่าตั้งแต่ตอนเริ่มที่ตัดสินใจว่าแสดงทำแล้วจะแสดงอะไรก็คิดเรื่องสติตอนสุดท้ายตอนปริณิพนธ์เนี่ย คําพูดสุดท้ายก็ยังพูดถึงเรื่องสติแ ต, <ม>แต่พูดด้วยคำํำ口头คำแต่เพราะฉะนั้นระหว่างตั้งแต่คืนที่ตรัสรู้ไปถึงตรัสรู้แล้วจะตัดสินใจว่าจะสอนอะไรจนทั้งคืนสุดท้ายที่บริณิปฏิระหว่างนั้นก็พูดแต่เรื่องสติทั้งหมดเลย ค, นะคือทำที่เรารู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนะแสดงแ ก, กเธออันดับแรกมาเลยสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมนะอ่านะคะก็เท่ากับว่าเรื่องสติเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ตราบวาระสุดท้ายเริ่มต้นตั้งแต่ที่ตรัสรู้และตัดสินใจสอนก็สอนเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักถูกต้องสติทีนี้เรื่องของสติเนี่ยนะคุณยมติว๋วเราก็จะคิดว่ามันเป็นคนละอ ย, ย่างกับธรรมะหมวดนั้นธรรมะหมวดนั้นมันจริงๆแล้วมันคืออย่างเดียวกันคือคือในสติเนี่ยมันมีอาการหลายๆอย่างอยู่ในสตินะอย่างสมมติเราพูดถึงอาหารชนิดหนึ่งอย่างเงี้ย จะเป็นไส้ขนมขนมเปียกขนมใบเนี่ยไส้เห็นมันร่วนๆนี่นะอุ้ยข้างในมันมีส่วนผสมเยอะนะมีทั้งถั่วมีทั้งน้ํามันมีทั้งทูเรียนมีทั้งน้ําตาลมีทั้งแป้งอยู่ในนี้หมดในอย่างตัวอย่างเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงอะไรล่ะทอดมันปลากายใช่ไหมใช่ค่ะหรือมันสับเละจนเนียนเนี่ยข้างในมีทั้งผักมีทั้งพริกมีทั้งปลามีทั้งมันปลามีอะไรที่เขาใส่ในทอดมันปลากายอยู่ในนั้นหมด มันแต่มันไม่เห็นเป็นก้อนๆมันเนียนไปหมดอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันมีคุณธรรมทั้งหมดเมตตาอยู่ด้วยกรุณาอยู่ในนั้น อ, อะไรอีกอดทนอยู่ในนั้นเลยไม่มีอะไรที่ไม่อยู่คือมันปนอยู่ในนี้หมดท่านคะก็เท่ากับว่าหากเราจะปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดาในธรรมะใดธรรมะหนึ่งเนี่ยสติปนอยู่ด้วยหมดหรือยังไงคะถูกต้องถูกต้องสตินี่แหละคือสังขารแต่การปรุงแต่งในขันทั้ง5้านะ ะะนั้นสังขารเนี่ยมันมีอยู่ในทุกที่แหละปรุงเวทนาให้เป็นเวทนาปรุงรูปให้เป็นรูปปรุงสัญญาให้เป็นสัญญานี่นคือสังขารเเพราะฉะนั้นใ น, ในเรื่องของสติเนี่ยเรามีอยู่เรื่อยๆอยมีอยู่ตลอดเวลามันเป็นการดีนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยาาดีมากมค่ะก็เท่ากับว่าอันนี้เป็นส่วนของที่จะให้รู้จักพระพุทธองค์ซึ่งเป็นาศาสดาของเราเพื่อที่จะได้ให้พวกเราได้ระลึกถึงสิ่งที่ พระศาสดาได้สอนไว้ถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อนํามาปฏิบัติกันชนะคะในเรื่องของสติดิฉันก็คิดว่าโอ้อันนี้น่าสนใจมากเหมือนเป็นการเปิดหัวใจของคําสอนของพระองค์นะคะอืว่า <c oughs> เรื่องของสตินี่สําคัญทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของสติมาส่วนหนึ่งแล้วนะคะที่ดิฉันถามเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนแล้วท่านก็บอกว่าอจุดแข็งนี่คือเรื่องของสติถูกไหมคะ ทีนี้พอพูดถึงสติปุ๊บท่านบอกว่าถ้าพูดสั้นๆเนี่ยพระพุทธองค์ก็จะตรัสว่าให้ดํำรงสติอยู่เฉพาะหน้าฮ่าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าอันเนี้ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วถ้าแบบสั้นแต่ว่าถ้าแบบยาวท่านบอกว่าในคอสลีเรนจะมีการพูดดิฉันก็เลยขอท่านว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยท่านจะได้ช่วยเมตตาให้ความรู้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสไปลีกเกรนในรายละเอียดต่างๆของอสติได้หรือไม่ค่ะ อันดับแรกก็คือว่ า, าลมหายใจที่พระเจ้าบอกนะว่ า, าลมหายใจเนี่ยมันตรงไหนกันแน่ที่เฉพาะหน้าตรงไหนกันแน่นั้นะลึกเข้าไปในโพรงจมูกจากโพรงจมูกเข้าไปกี่มิลลิเมตรนะเป็นรูปโดนัทสี่เหลี่ยมหรือ ว, วงกลมหรือว่าทํามุมกี่องศากับดั้งจมูกแลนะมีขนาดกี่ตารางมิลลิเมตรตรงนี้ ค, คุณรู้ไหมรเราก็แค่กําหนดดูว่า เ, เรารู้สึกรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ตรงไหนเราก็เอา จิตของเราเนี่ยเอาไว้ตรงนั้นนะอาการของจิตอย่างนี้คือจิตมีสติแล้วค่ะนั่นคือระลึกอยู่ถึงการหายใจนะระลึกการหายใจเนี่ยโดยใช้ลมหายใจเป็นหลักนะเราก็เลยมารับรู้ถึงสมบัติของลมหายใจคือการหายใจบางทีคุณระลึกถึงกรังลมก็ได้ระลึกถึงท้องก็ได้ระลึกถึงปลายจมูกก็ได้ระลึกถึงอกก็ได้ใช่ไหมแต่พระเจ้าให้ดำรงสติเฉพาะหน้าตรงนี้นะค่ะดำรงนี่คือความหมายของการดำรงสติเฉพาะหน้าใช่ไหมใช่ใช่ ท่านคะที่นี้ดิฉันจะกราบเรียนถามว่าการที่ท่านพูดว่าอ่าตรงไหนที่เรารับรู้ลมได้ถูกไหมคะใช่ที่สัมผัสลมได้ให้อดส ต, ติไว้ตรงนั้นเอาจิตไว้ตรงนั้นเอาจิตไว้ตรงนั้นเท่ากับอันนี้เป็นฐานที่ตั้งของจิตถูกต้องฐานที่ตั้งการระลึกถึง อ, อ่าฐานที่ตั้งการระลึกถึงระลึกถึงอะไรให้จิตมาระลึกถึงตรงนี้ค่ะอ่า ทัานคะงั้นก็เท่ากับว่าอตําแหน่งนี้ถือว่าในบรรดาฐานที่ตั้งของจิตเองคับถ้าพูดถึงสติปฐานเราก็พูดถึงฐานที่ตั้งของสติถูกไหมคะใช่ฐานที่ได้เนการระลึกถึงสติวราการระลึกได้ก็เป็นฐานที่ตั้งแบบเดียวกันกับฐานที่ตั้งที่เรากําลังพูดถึงอยู่ในอ๋อใช่ใช่ใชใช่ก็เท่ากับว่ามีหลายฐานอันนั้นจะพูดถึงอกายเวทนาจิตธรรม มีฐานเดียวนั่นแหละในในขณะที่ที่กำลังเพราะว่าเราก็จะมีการาได้ความรู้มาจากที่ต่างๆในลักษณะที่ว่ า, า, าบางคนบอกฐานที่ตั้งของจิตอยู่ที่ลิ้นปี่นี่นก็เคยได้ยินนะคะ อ, อยู่ที่หน้าผากก็มีอยู่ที่หัวใจก็มีออยู่ที่เหนือสะดืออยู่ที่สะดืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจิตมันไปทั่วคุณโยมติว๋วจิตมันไปทั่ว มันจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ออืเท่ากับว่าเนี่ยคะ่ะมันไปอยู่ตรงไหนแล้วมันถูกที่สุดมันไปอยู่ตรง <These> ไหนแล้วดีที่สุดเพ<า>ระนั้นค่ะฟังบอกพิชิตนะให้ดีอารามาบอกว่าฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงไม่ใช่ฐานที่ตั้งของจิตนะฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงถ้าคุณเอาจิตมามาคือคุณจะรละลึกถึงคุณต้องใช้จิตมาระลึกเพราะนั้นคุณเอาฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงไปไหนจิตคุณอยู่ที่นั่น เข้าใจไหมคุณเอาฐานที่ตั้งการระลึกถึงไว้ที่ไหนจิตคุณก็อยู่ที่นั่นแต่บทพยัญชนะที่พระเจ้าใช้เนี่ยคืออ่าสติปัฏฐานสีส่สติป 4, ตัฏฐานนะสติปัฏฐานนี่คือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงออืเพราะฉะนั้นฐานที่ตั้งของจิตไม่มีในการปฏิบัติอของพระพุทธองค์หรื อ, อยังไงคะมั น, ม, นมันก็ต้องมีนะักซือจิตมันต้องอยู่นิ่งๆ น, นะก่อนนะเราถึงจะฝึกมันได้ถึงจะบอกมันได้ถึงจ ะ, ะให้ข้อมูลได้อืออ่าแต่ว่าถ้าถ้าให้พูดโดยสรุปอะคะท่านคะ ว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่ต้องมีที่ตั้งเนี่ยคือตัวความระลึกถึงอืมที่ว่าเป็นสติเท่านั้นหรือว่าจิตเองก็ต้องมีฐานที่ตั้งเ อ, อจิตมีฐานที่ตั้งไหมก็คือกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของจิตได้ก็ใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมไอ้ตรงเนี้ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตก็แล้วกันงั้นก็คือจิต เหมือนกับความระลึกถึงคือจิตเนี่ยมันมันไปเรื่อยนะคุณโยมถือมันไม่มีที่อยู่เนี่นอนเพรา ะ, ะนั้นเราต้องให้เขามีที่อยู่เข <c oughs> ้าใจไหมที่อยู่ตรงนี้คือวิหารธรรมพระเจ้าให้มีอนนาปานสติเป็นวิหาธรรมให้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิต <c oughs> เหมือนเต่าอยู่ในกระดองให้จิตอยู่กับลมหายใจอย่างนี้นะให้ <c oughs> ลมหายใจเป็นที่ตั้งของจิต ทีนี้ท่านกําลังพูดถึงว่ามิหารธรรมวิหารธรรมที่อยู่เป็นที่เป็นที่อ๋อเป็นที่อยู่ของจิตใช่ค่ะแต่ว่าดํารงสติเฉพาะหน้าอืมท่านกําลังพูดถึงว่า น, นี่ไงคุณโยมติว่าเราลงรายละเอียดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดมากเลยนะดิฉัน <laughs> ว่าดีที่สุดท่านไปเรื่อยๆของการพิกาเพราะว่ า, วาถ้าให้ดิฉันถามต่อไปเนี่ยดิฉันเองก็งงเองเหมือนกันนะคะออื <laughs> เดี๋ยวจะพาท่านส่วทางบ้านงงไปกันใหญ่อันนี้คือสเต็ปแรกก่อนคุณต้องรู้ว่าไอ้ที่เฉพาะหน้ามันเฉพาะหน้าตรงไหนค่ะนะกี่มิลลิเมตรกันแนนะ่คุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องมีตรมิลลิเมตรอะไรหรอกเอาแค่ว่าเรารับรู้ถึงลมหายใจของเราได้ที่ตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนค่ะแต่บางคนรู้ไม่ได้นะคุณจำติ๋วแบบ เ, เนื้อเยื่อตรงนั้นไม่รู้มันเป็นอะไรมันหนาเหลือเกินมันไม่สามารถรับรู้ถึงสัมผัส ข, ของลมหายใจได้คุณก็ลองหายใจแรงๆสักสองสาครั้งนะแล้วรับรู้ตรงไหนได้เอามันตรงนั้น ถึงแม้ว่าพอหายใจธรรมดาแล้วจะรับรู้ไม่ได้ก็ตามเอาที่เดิมเอาที่คือคุณรับรู้ครั้งล่าสุดตอนที่หายใจแรงๆนะหรือว่าบางนี่มีหมอคนหนึ่งคุณยมเตี่เขามาถามมาตมาเขาเป็นคนจ้างสังเกตมากๆเลยนะเขาบอกว่าเวลาที่หายใจออกไปแล้วเนี่ยนะแล้วมันยังไม่หายใจเข้าเนะี่ยมันมีจังหวะหยุดอยู่นิดหนึ่งหรืว ต, ตรงนี้มันไม่มีสัมผัสเกิดขึ้นนะจะเอาจะเอาจิตไม่ตรงไหนดีไม่มีที่ตั้งไว้ไม่มีที่ไหวอไรเงี้ะ หรือตอนที่หายใจออกแล้วหายใจเข้าแล้วกําลังใจหายใจออกมันมีหยุดยอยดู่นิดหนึ่งจะทำยังไงดีนนั้ก็คือเหมือนเดิมคือเราให้เอาไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมตรงจุดเดิมที่เรารับรู้ถึงสมบัติครั้งล่าสุดค่ะคืออย่างน้อยให้มีที่จุดที่เป็นตําแหน่งที่เรามานึกนึกถึงอยู่เรื่อยๆว่าจะไม่ถามแล้วยังไงก็ต้องถามนะคะ เ, เพราะเอาตามตา ม, ามสมมติว่าจับลมหายใจยากแล้วท่านก็บอกให้หายใจแรง นะคะแล้วสัมผัสตรงไหนก็ให้จําตรงนั้นไว้ถึงแม้ว่าจะเลิกหายใจแรงแล้วจะไม่รู้สึกก็ตามทีให้จําตำแหน่งนั้นไว้ใช่เหมือนกับที่กําลังให้คําตอบหมอเนี่ยนะคะในกรณีที่หายใจแรงๆลึกๆแล้วมันกลับรู้สึกชัดลึกเข้าไปแบบ<อ>เหมือนกับ ล, ลึกเข้าไปในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ใช่สิเอาเอาโพรงจมูกทําไมเอาโพรงจมูกก่อนอ่ะภาษาบาลีเขาใช้คําว่าปะริมุขขังค่ะปะริมุขขังมุขก็คืออะไร ด้านหน้ามุกเนี่ยถ้าเรามาดูภาษไตาที่เขาใช้กันคือว่าทางเข้าออกของอาคารมีมุกยื่นออกมาใช่ไหมหรือโรงแรมอาคารสถานที่ใหญ่ๆเนี่ยมีมุกยื่นออกมามุกตรงนี้คือคุณอเอกรถเข้าไปจอดคุณคุณไม่เปลี่ยนนะเป็นทางเข้าออกนะแต่เมื่อเราก็ดูที่ทางเข้าออกของลมนะไม่ใช่ใช<ไ>ท้องแน่นอนทองไม่ใช่ทางเข้าออกอลมไม่ใช่ใหลอดลมแน่นอนเพราะมันลึกเข้าไปเกินแล้วใช่ไหมอ่าเป็นทางกำเรียงแล้วไม่ใช่เราดูทางเข้าออกของลมก็คือเอาง่ายงายเอานิ้วคุณเนี่ยจิ้มเข้าไปในจมูกโดนตรงไหน ในโซนนั้นแหละมันต้องมีสักจุดหนึ่งเพราะมันยังโดนสัมผัสกับายนอกได้นะอืแต่แต่ไม่ว่าอย่าพยจําอย่างนั้นนะคือให้ให้เราลือกถึงสัมผัสก็พอคหรือง่ายๆเอาตําแหน่งที่คุณรับรู้ถึงกลิ่นอย่างรู้กลิ่นดมกลิ่นอาหารดมกลิ่นของหอมกองเห็นดอกไม้พวกนี้นะมันรับรู้จุดไหนเอามันจุดนั้นก็ได้คมันก็อยู่ประมาณตรงตรดั้งจมูกนะตรงนั้น่ะ <Okay. S 2> ที่มันมีเนื้อเยื่อที่มันละเอียดอ่อนที่สุดเนี่ยเราจะพอถึงรับรู้ถึงสัมผัสตรงนั้นได้ค <Okay. S 2> ที่อื่นๆมันก็จะเป็นขนเป็นอะไรมันก็จะไม่รับรู้ถึงสัมผัสได้นะมันจะเป็นเฉพาะตรงจุดนั้นที่มันมีพวกเซลล์เนื้อเยื่อที่มันละเอียดอ่อนในการที่จะรับกลิ่นตรงนั้นแหละครับ <Okay. S 2> ก็ถ้าว่าอันนี้เป็นรายละเอียดของสติในเรื่องที่หนึ่งปริมุขขังและนันเองนะที่เราพูดอย่างเดียวในปริมุขขังอย่างเดียวเราไม่หีดยังมีเวลาเหลือค่ะมีมีมีก็พูดถึงเรื่องของอ่าหายใจเข้าหายใจออกนั้นลมหายใจยาวลมหายใจสั้นตรงนี้นะเข้าก็รู้ออกก็รู้อันนี้ผู้ชายพูดไปแล้วนะอเมื่อใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวนี้ยาวกับเข้าสั้นกับออก นะสั้นบ้างยาวบ้าง อ, าออกบ้างเข้าบ้างอย่างนี้ทําให้ใบางคนสับสนว่าเเราจะต้องตามลมไปเนี่ยตามเข้าไปถึงไหนและตามออกออกไปถึงไหนนะตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยยกอุปมาอุปไมยนะเหมือนกับนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงที่อุดอรธานีคุณโยมติวมีร้านกลึงอยู่ร้านหนึ่งอยู่ในอุดอรเนี่ยนะก็อมาไปหาเขาให้เข า, เขากลึงาขาใหม่ให้แตนะ่เขาบอกว่าคือเคยถามเขาว่าเขากลึงยังไง แล้ก็อธิบายให้ฟังคือเขาเนี่ยเป็นคนกลึงมาตั้งแต่อายุเก้ขวบนะโตมาเนี่ก็อยู่กับโรงกลึงแล้วพ่อเขาเป็นช่างกลึงจนกระทั่งบัด น, นี้64แล้วกลึงมาทั้งชีวิตนะเขาเขาอธิบายวิธีการกลึงของเขาว่าเขาจะต้องเอาตัวเหล็กที่ต้องการกลึงเนี่ยประกอบไปที่ตัวเบา้าตัวแท่นนะแล้วก็เลื่อนเจ้าตัวเหล็กชิ้นงานที่เราต้องการกลึงเนี่ยเข้าไปที่ใบมีดจอกันแล้วถามว่าตาเขาเนี่ยจะต้องมองที่จุดจอนะแล้วมือคันชักต่างต่างๆเขาไม่สนใจไม่มองแต่ต้องรู้ ดังนั้นเวลาที่เราลมหายใจเข้ า, าลมหายใจออกเนี่ยเราไม่ได้ตามลมแต่เราดูที่จุดสัมผัสระหว่างลมกับตัวจมูกเราค่ะกายเรากับลมเรานะี่ยเหมือนกับที่ช่างกลึงดูที่ใบมีดสัมผัสกับชิ้นงานไม่ได้ไปดูที่คันชักค่ ะ, อ, ะอย่างนี้ ค, คือไม่ได้ต้องตามลมมาพูดง่ายๆอ๋อสรุปแล้วก็คืออยู่ที่ปริมุกขังใช่<ง>ไม่ตามลมไม่ตามลมถูกต้องค่ะหรือช่างเลื่อยไม้คุณยมติ๋เคยเลื่อยไม้ไหม เคยแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จค่ะ <g ül> ถามว่าเวลาคุณ เ, เลื่อยเข้าเลื่อยออกเนี่ยชักคันชักเลื่อยเลื่อยเนี่ยนะเราไม่ได้ดูที่มือที่จับแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะเราดูที่จุดสัมผัสระหว่างเลื่อยกับตัวไม้บางทีต้องเร็วบ้างต้องช้าบ้างตามจังหวะคมเลื่อยตามจังหวะของเนื้อไม้ถูกไหมแต่ตาเราจะไม่ออกไปจากจุดที่สัมผัสระหว่างไม้กับเลื่อยเลยไม่ตามไม่ตามอยู่ที่จุดเดียวค่ะดังนั้นสําหรับบทพียญชนะ ที่ว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวคเข้าสั้นออกสั้นก็คือตรงนี้ไม่ตามลมค่ะอก็คือว่าไม่ต้องไม่ต้องไปตามเขาว่าเขาสั้นไปถึงไหนยาวไปถึงไหนใช่ไหมคะต้แต่ให้รู้เวลาเข้ามาสัมผัสเท่านั้นเองอค่ะนะแค่สองคอเท่านั้นเองยังมีรายละเอียดอีกเยอะไหมคะอืมมากเลยทีเดียร์แะนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารายการของเราก็มีมาพบกันเรื่อยๆนะคะแล้วเนี่ยคือ ถือว่าเป็นส่วนสําคัญของการที่ท่านจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ติดตามรับฟังจากพระอาจารย์ไพภูนก็และกันนะคะสำหรับอันนี้กราบ น, นสัส ก, การขอบพระคุณค่ะเยี่ยมผ่านค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะวันนี้เราผ่านเข้ามาสู่เรื่องของสติแล้วก็นํามาสู่ของเรื่องของสติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกันเลยจะได้ให้ท่านทั้งหลาย ที่อาจจะศึกษาบทพยัญชนะเองหรือฟังแต่ฟังแบบยอ่อไม่มีการอธิบายอย่างละเอียดก็เลยยังสงสัยอยู่ทั้งเรื่องปริมุขขังแล้วก็ทั้งเรื่องของหายใจเข้าสั้นรู้ออกรู้สั้นยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านกวบกไม่ต้องตามลงอันนี้เป็นส่วนที่เรนเชื่อว่าคนสงสัยกันเป็นจานวนมากคลี่คลายไปได้เปราะ อ, อื่นแล้วพรุ่งนี้เรามาฟังเพื่อคลี่ค ล, คลายเลาะ อ, อื่นๆกันต่อไปนะคะ ในาการสัสนีสนทนาทางสถานวิทยุครอบครัวข่าว FM106 แห่งนี้สำหรับวันนี้อย่าลืมขอหนังสือในกรณีที่ท่านยังไม่เคยได้หนังสือพุทธว จ, จะนะแต่ถ้าท่านได้แล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นก็นะคะ 02-269-0006 พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธวสสวัสดีคะ่ะ